หลวงพ่อเย็นได้อาจารย์นมแสดงธรรมอาจารย์นมก็บอกหลวงพ่อแหละว่าบอกว่าไม่มีเสียงก็จะเอาไม้ให้อาจารย์นมนะแล้วแต่จะพิจารณานะขอาการหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อกรมพระอาจารย์หลงศิลและเพื่อนสหธรรมิกจริงๆแล้วะนั่งกันตามสบาย เคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะไม่แสดงธรรมประมาณ9ปีปีที่แล้วพูด10ปีปีนี้ก็เหลืออีก9ปีนับอยูอ่แต่ในเมื่อหลวงพ่อให้โอกาสก็จะพูดตามที่ระลึกได้ว่าตัวเองก็ปฏิบัติธรรมมานี่ถ้านับจริงๆแล้วตั้งแต่ปี37ปฏิบัติโดย โดยการอ่านอ่านหนังสือหลวงหลวงพ่อพุทธทาสตั้งแต่ปีสามเจ็ดจนมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคู่มือมนุษย์เราก็เอ๊มนุษย์นี่ต้องมีคู่มือด้วยอะก็อ่านาใช้ชีวิตช่วงนั้นก็ก็ยังยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่ช่วงปีสามเจ อายุ20กว่ากว่าอ่านหนังสือไปจนมาถึงปีสี่หนึ่งเัดสินใจบวชบวชอยู่กับหลวงพ่อปัญญานันทพิขุวัดชนะระทานซึ่งมาทราบทีหลังว่าในวัดนี้ก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาเยอะแม้กรั่งอาจารย์ตุ้มเคยคุยกับท่านท่านบอกว่าผมก็เคยบวชตั้งแต่ปี2522บบวชกับหลวงพ่อปัญญาแล้วโอ้นี่ศิษย์รุ่น รุ่นพี่หลายปีเลยเยอะในนี่ที่ว่าบวชที่วัดชนระทานหลวงพ่อคำเขียนเองท่านก็เคยไปแสดงธรรมกับอสอนญาติโยมปีหนึ่งเกกับหลวงพ่อเทียนที่วัดชนระทานลังสลิดตอนนั้นมีนักปราชญ์ชื่อดัง ถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนก็คงอาจจะรู้จักชื่อนามว่าอาจารย์โควิดใช้นามปากกา ว, ว่าเข ม, มานันทะซึ่งอาจารย์โควิดท่านก็เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสมาอาจจะมาตามตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ10ปีและท่านก็สอนญาติโยมแล้วก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะจนมีครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสได้พบหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าไอ้ที่เรารู้เราสอนมาเนี่ยมันจำเข้ามาทั้งนั้นเลยมันไม่ได้รู้ในตัวจริงๆตรงนั้นมันก็มันก็ความจำได้หมายรู้หรือว่ารู้โดยสัญญาเนี่ย มันก็เป็นบาตรฐานแรกที่จ ะ, ะไปสู่ในองค์ภาวนาซึ่งปัญญามันมีอยู่3ระยับระดับะระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาได้จากการฟังแล้วก็อ่านส่วนปัญญาระดับที่สองเนี่ยจินตามายะปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาระดับที่ว่าใช้ความคิดพิจารณาโยนิโสมนัสติการ ต, กตรองไขควรส่วนภาวนาปัญญาปัญญาเนี่ย ซึ่งเรารู้เราหลงหลงเข้าไปกลับเข้ามารู้เนี่ยตัวนั้นแหละรู้แล้วก็วางตัวรู้ตัว น, น, นั้นมันจะเป็นตัวปัญญาที่ว่าเป็นปัญญาภาวนามย์ญปัญญาซึ่งการวางตัวรู้เนี่ยสมัยก่อนอาตมาไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงบทมาครั้งแรกนี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่ามผมดูความว่าง ไม่เข้าใจความว่างตัวนี้มันคืออะไรซึ่งตัวนี้กลับไปถามท่านใหม่ๆมีโอกาสได้กลับไปถามท่านเมื่อปีที่แล้วท่านพรรษาก็ประมาณสามสิบกว่าพรรษาละ ว, ว่าไอ้ตัวรู้ที่อาจารย์วางเนี่ยหรือว่าตัวว่างเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ก็บอกว่าท่านก็รู้แล้วอืมก็ผ่านมาสิบสี่ปีแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรคือถ้าเราทาไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะมีสภาวะนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าคิดว่างนะแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจให้กลับมารู้สึกตัวก็เลยยึดหลักที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับใจอ่ะให้กลับมารู้สึกตัวมันจะเข้าไปในความคิดหรือว่ามันจะดักความคิดมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะต้องเจอกระนั้ที่ว่ า, าไป เขาเรียกว่าไปอ่านหนังสือมากซึ่งโดยส่วนตัวอาจารมานี่ เ, เรื่องการอ่านหนังสือนี่นนวางไว้แล้วพ่อครูบาอาจารย์สั่งไว้นักวิหนาว่าอย่าไปอ่านหนังสือมันจะรู้จําจําแล้วมันก็เอามาคิด เ, เขาเรียกว่าอะไรอะวิตกวิจารณมั่งคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญเพราะนั้นนักปฏิบัติใหม่ๆซึ่งจะติดตัวนี้กันมากซึ่งไปรู้ก่อนรู้เนี่ยมันจะอันตราย คือไม่ใช่ไม่ได้ไม่ให้อ่านหนังสือแต่ว่าให้วางไว้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนมันจะเข้าใจเองแล้วมันจะรู้เองว่าไอ้ที่เราอ่านมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านมีไว้แปดหมืี่พันระธรรมขันธ์เนี่ยในหนังสือธรรวัตเช้าเนี่ยมันก็มีบทธรรวัดเช้าเนี่ ย, ยแล้วก็ มันคิดไม่ออกล่ะก็ส่งหน้าที่นี่ต่อให้พระอาจารย์ทรงศินดีกว่านะคะก็เป็นอย่างนี้แหละการแม่ทมกลับมาดี่ความรู้สึกตัวอันนี้มันไม่ใช่คำพูดมันนองสัมผัสลงไป จะมีรูปแบบต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าวิธีการที่เราลงมาประพฤติปฏิบัติกันมันก็เป็นรูปแบบที่แนวหลวงผู้เตียนหรือว่าตำรับตำลามันก็อ้างอิงแต่ว่ามันไม่มีรูปแบบที่เขาบอกต้องให้ยกมือ14ดสี่จังหวะชัดๆตอนนั้นเองมันก็เป็นภาษา เมื่รามาปิบัตแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีผลจริงๆนะแล้วก็ราะการนะที่เรามาสัมผัสกระทบนะรู้สึกกายวิญญาณฐนะานกายขอยงเราเนะี่ยมันก็บอกทิศบอกทางตรงๆอยู่แล้วในเบื้องต้นการเห็นกายนะการกระทบสัมผัสจัตวาเนะี่ยตัวนะีนะ้มันก็จะเป็นการรู้แล้วก็วางรู้นั่นแหละมันไม่ได้รู้แล้วก็ติดเป็นสมถกรรมฐานนะ มันเป็นวิปัสนาเบื้องต้นที่มันก็ได้คําตอบทันทีทุกครั้งได้กลับมาปฏิบัติก็คือการกลับมาทุกครั้งที่ความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็รู้แล้วอตัวนี้แหละแต่เราไม่มีความรู้สึกมันจะได้หลงก็ไปละก็บอกแล้ ว, วคือกิเลสตัวพ่อตัวนี้แล้วเนี่อของกิเลสตัวพ่อเลยก็คือการหลงเพลอไปในความคิดนีดกิเลสกอดกิเลสโลบกิเลสหลงกิเลสละกิเลสชัง มันเป็นอะไรต่างๆนานามากมายนะเหมือนการทำสงครามแล้วเนะ่าเรากลังทะเลาะกับเขเมรนะกลังทะเลาะ ก, กับคนนั้นคนนี้ที่ไหนได้มันมีการทนะเลาะกับฝรั่งเศส่นะสมัยรงครามโลกลเราลึกดูนะเรารู้ทางและเรากลับมาทีนะ่หลบที่ตั้งของเราคือความเป็นปกตินะรู้เนะ้รู้ตัวนะมันก็เป็นเรื่องที่เราทำได้ทุกคนนะ ไม่เกี่ยวกับว่าจะบวชไม่บวชจะตอนไหนนะอย่างไรนะปัจจุบันขณะทันทนะีทันทีทีททนะ่รู้สึกนะมันก็เป็นอันนีส้ส์เป็นผลนะเป็นลักษณะของนะการเอาสิ่งที่มันมีอยู่ก็นะหมายถึงตัวสติตัวปัญญานะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าความว่องไวของมานะันตรงนี้ เราก็เลยต้องมาฝึกหัดสักหน่อยนะรูปแบบนอกรูปแบบต่างๆในสถานที่นอกสถานที่หนะรือในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบต่างๆนะมันเป็นเรื่องของสาคัญแห่งธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยู่กับทุกอยู่แล้วนะทุกกายทุกใจนะทุกครั้งนะที่หลงเพล而这ไปยึดมันเป็นเรานะแน่นอนที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้น ตาสกันห้ามคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะที่มันเป็นเรื่องของนะบุญธรรมกําแต่งด้วยละนะักษณะของการกระทําต่างๆทํ า, าดีทำชั่วต่างๆทําทให้มีลักษณะของอารมณ์หรือว่าโบกเล็กรสณะจิตใจที่มันตรึงอยู่อารมณ์ไหนก็ตามหน้าตามก็ตึงร่างกายมก็ตรึงนะไปตามลักษณะของอารมณ์ภายในทั้งหมดนะทีนี้มันมีกรรมฐานอยู่เปทางอ่ สิ่งที่เรพ้นเป็นบิมุตดนะเป็นเรื่องของลักษณะที่ออกมานะจากการคิดการปรงุงกันแต่งนะจนเห็นความคิดหยิบความคิดมาใช้นะเป็นสมมติบัญญัติเป็นพฒะธรรมประเพณนะีเป็นเรื่องของนะเรื่องของสังคมนิยมต่างๆนะเราก็ดูจารีตกฎกติกามารยาตต่างๆสมมติบัญญัติมันเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปนะ มจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนะปลาดไม่ได้รถไฟกระบวนสุดท้ายกระบวนนะี่มันไปสู่มรรคผลนิพพานจริงๆนะรูปแบบการเคลื่อนไหว14ช่วงว่านะในายุคนี้ยมันยุคที่ตื่นกันมากทนะั้งการโฆษณาชวนเชื่อเนะราเรียกว่าโฆษณาเพื่อให้ทุกคนได้เนหะมือนกับถูกปลุกขึ้นมานะปลุกขึ้นมาจากการที่เราหลงไปกับกระแสงสังคมต่างๆ กระแสของโลกที่กาลังใช้กันว่าโลกาภิวัตหรือว่าเรียกว่านวัตกรรมนะที่ทําให้อารมณ์มันรุนแรงขึ้นนะอาหารก็ลดจัดขึ้นอย่างนี้นะหรือว่าลักษณะของเสียงที่มากระทบก็ลดจัดขึ้นนะดนตรีเสียงปลุกเราต่างๆนะมันก็เลยเป็นการใช้ชีวิตที่ถ้าไม่รู้สึกตัวหลงเผลอไปกระดําดำเนินชีวิตนะอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเป็นวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆนะมันก็ ทำหน้าที่ของมันนะเรานักปฏิบัติธรรมก็ทำหน้าที่ของเราคือปฏิบัติธรรมมีการเคลื่อนไหวมีรูปแบบปฏิบัติมีสถานที่เราปฏิบัตินะี่มันก็เป็นสปายะที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมนะทีมก็พลาดไม่ได้แล้วล่ะชั่วโมงนี้นะเป็นชั่วโมงของความรู้สึกตัววิทาทีนี้ก็เป็นวิมาทีของความรู้สึกตัวนะมันก็มีแต่ความรู้สึกตัวเป็นการใช้ชีวิตไป ทางในรูปแบบนอกรูปแบบช่วี่ยอากาศบ้างเก็บตกบ้างก็ทําไปนะจนกระทั่งมันเป็นคําตอบภายในใจของเรานี่ยแหละนะไม่ใช่คนอื่นตอบมันเป็นนะสิ่งทีนะ่มนุษย์ทุกคนนะมีพื้นของจิตแบบนี้อยู่แล้วนะจิตที่มันเป็นเรื่องของนะปกติธรรมแต่ว่าความคิดอารมณ์นี่ยแหละนะที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้ทันมันนะ กิเลยอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันก็สติอย่างหยาบนะสติอย่างมากเลยมากมายมหาสารเป็นมหาสติอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเกิดจากการที่เราเฝ้านะหรือว่ารับรู้ความรู้สึกตัวจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวสัมปางกายที่มันมีตั้งแต่หัวจักรต้าอย่างเงี้ยนะนะจนกระทั่งมันรู้รอบกองสังขารจริงๆไปในใจิตใจที่มันคิดมันปรุงมันแต่งทุกลั้งที่เผลอ นะแต่ว่านะรอห้ามมันไม่ได้นะกําลังของสติปัฏฐานนะบางทนะีมันก็มีกําลังของนะตัวหลงซึ่งมันนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานเป็นนิสัยเป็นอมนิสัยอย่างนั้นนะเป็นจริตต่างๆทิ่ติมานะนะตัง้งความมหางการปรมังกา ร, าการความทรมนงยิงผลาหยองลําพองหนะรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเก่ง มันฝึกเรานี่ยแหละจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นตัวหลงแล้วก็ต้องทุกข์กับความหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดอยู่สม่ําเสมอนะแต่ว่าคำพูดคํานี้นะหลวงพ่อท่านก็วันนี้นะท่านําหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะพูดออกมาแปล่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็หลวงพ่อท่านก็พูดอยู่เสมอว่าอาภาพรุกศิษย์อย่างเง้ย น, นะคำนี้มันก็ ฟังแล้วเราก็สะดุดใจเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่เราได้ยินได้ฟังนะประสบการณ์ของพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทำความเพียรมามากมายแล้เกินรน ะ, ะนาการปฏิบัติอย่างจริงจังนะเพื่อพิสูจน์อย่างจากกึต้องสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านพูดมันเป็นความจริงเป็นสัจจะ การนี้การที่จะเผยแผ่การต่อไปอย่างเงี้ยบางทีคําพูดมันก็สู้การกระทําไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงมือกระทากันของใครก็ของเราที่วันหนึ่งอาตมาได้หลุดคําพูดว่ากูก็จะดูกูอย่างเงี้ยมึงก็ต้องดูมึงอย่างเงี้ยกูดูกูก็คือลักษณะของตัวกูจะมีนอนเนื่องอยู่เกิดจากความคิดที่มันปรุงมันแต่งการนี้เราก็ต้องเรียกว่ากลับมาทันที กลับมาปฏิบัติรรมอยู่ที่สติดูกายก็ได้ mm hmm. การเคลื่อนไหวเห็นกายในกายไม่ใช่สตัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรา ม, มีสติดูจิตก็ได้นะจิตมันคิดเก่งหรือว่าจิตดูจิตก็ได้วิธีความคิดมันสอนความคิดอยู่จิตไม่ดีเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาจิตกุศลก็ต้องทําหน้าที่ต้องคิดดีสอนตัวเองเป็นอารมณ์ของวิตรวิจารณ์จนมีสติดูจิตเงี้ย สติดูจิตรู้จิตจิตคิดเก่งก็กลับมาที่ฐานของสติถ้าสติไม่ไหวไม่ว่องไวร่ว่าไม่พอใจกลับมาที่ฐานของกายอย่างเงี้ยจนสติมันรู้สติขึ้นมานีมารู้แล้วว่าฐานของสติอยู่ตรงไหนความเป็นโพตีเป็นอย่างไรการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะรู้แล้เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเป็นอย่างไรก็คือมันเด่นออกมาเป็นปรากฏการณ์ภายในของกายของเราที่จะต้องทํากันย่งมันถึงทำนั่นแหละ เจริญสติธรรมถึงมันก็ถึงธรรมเหมือนกันมันก็จะมีอารมณ์ปฏิบัติเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเงี้ยเราต้องอาศัยผู้รู้ท่านบอกชี้ทางไว้เป็นกรอกของแผนที่นะแต่เราจะดูแผนที่อย่างเดียวจะเอาแต่ฟังจเจ้าต่างอ่านมันก็ไม่ได้ต้องลงมือเดินทางไปจริงๆนะมันก็จะติดตะขัดบ้างเพราะมันเป็นอารมณ์ปฏิบัตินะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงนะที่มันจะสอนให้เรานะ เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเปลี่ยนผิดเป็นถูกนะเปลี่ยนทุกข์เป็นเมทุกขตตรงนี้นะมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทากันนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท้ายสุดแล้วนะในช่วงของการปฏิบัติธรรมเข้มนะแล้วก็มีพระหลวงพอ่อครูบาอาจารยนะ์มากมายเดินพระปีเลี้ยงอยู่ในนี้นะก็ลองสังเกตกันนะมีปัญหาอะไรเกี่ยวหลงปฏิบัตินะสอบถามได้นะ อย่างเช่นหลวงพักกมเนี่ยท่านก็อยู่อย่างปีนี้ก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันก็คือเห็นหลวงพ่อเขียนท่านอยู่ใกล้ๆพวกเราอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็บางทีก็เดินไปดูนักปฏิบัติธรรมพูดคุยอารมณ์ปฏิบัติบางทีก็มีพระมาส่งอารมณนะ์ซึ่งเป็นลรื่องหนาของความนะแนบแน่นสนิทสมกลมเกลียวแล้วก็เป็นเรื่องที่นะมันมันเป็นสภาพแวด ล, ล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการปีนบัติเป็นสปายยากว่าได้ ตั้งสถานที่นะอยู่สบายอาหารก็สบายนะคําพูดก็สบายสบายรูปแบบปฏิบัติก็เป็นเรื่องของสุขกาวิปัสสโกทําสบายอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศ่าเงี้ยแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเสาหลักอยู่เราก็ไม่ลงทิศหลงทางกันเงนี้ยนะหรือยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่กรมอย่างเงี้ยนะอายุ8586แล้วก็ยังเดินให้ดู ย, ย, ย, ย, ย, ย่องย่องย่องย่องเงี้ยนะเราเห็นแล้วเกิดกําลังใจ แล้วก็จึงนี่นแหลนะอบอุ่นมากๆเลยก็ในเวลาที่เหลือเดี๋ยวให้หลวงพ่อกรมได้สรุปนิดหนึ่งประมาณ10นาทีนะซึ่งท่านบอกว่าท่านปลดเกษียณแล้วทนะ่านกเกษียณแล้วไม่อยากพูดตามมา่ำมะแต่วันนี้จะให้อารมณ์ปฏิบัติสักประมาณ10นาที15นาทีกลับนี่เหมือนกันพอพูนิ้วยท่านคุปตาจันทุกทุกทุกทุกเ <c oughs> าตั้ง ลูกเนนที่เริพรแม่ชีว่าถุวัิกาทุกทุกท่านหลวงพ่อแก้แล้วก็ไม่อยากจะพูดพูดต่อมาเพราะว่ามันไม่รู้จักไม่มีทับมีแสงเหมือนหมู่ที่เป็นท่านพูดไป <c oughs> เอาตามปัตตาที่ชาวบ้านที่มันอะไรเกิดขึ้นมาก็พูดไปเรื่อยๆตามเนื่องตามเรา ไม่ได้ศึกษาเท่าไร <c oughs> บางทีก็ผิดบางทีก็ถูกพูดไปตามเรื่องตามราวไปเนี่ยออกมาแล้วก็ตั้ง อ, อุทธรใจหลงพ่อเท <c oughs> ่าแกแล้วก็ ไม่เหมือนคนหนุ่มทุกท่านนะั้นพูดพูดเก่งทุกคนเลยแต่หลวงพว่อไม่อยากจะพูดพูดก็พูดไปตามภาษามันจะถูกด้วยจะผิดก็เอาโหเสียด้วย mm hmm. ตั้งใจหลวงพ่อก็ทอแก่มาแล้วก็หัวคิดสติปัญญาก็ไม่ค่อยดีมันเพราะว่าคนเป็นคนปัญญาน้อยมาตั้งแต่ก่อน ไม่ค่อยมีความรู้อะไรหรอกมีไปต่ทางโลกมันทำงานทางโลกมากจนเท่าจนแก่อายุ52 57ปีออกมาบวชวันนี้ก็ได้86แล้ว87ก็จะถึงแล้วะถึงเดินเก้าเนวก86 87ไปแล้วเดินถึงหาวันที่21 ที่เกิดมาตั้งแต่ปีว่าเกิดปฏิบัติมากขาไม่รู้คู่คา ม, มาอย่างนี้แหละลงหน้าลงหลังแต่ว่าให้พยายามทูกความพยายามเราไม่ได้ดอกอะไรเกิดขึ้นก่อมันเกิดไปตัวเองไม่ได้ไม่มีความรู้ก็เอาความขยันให้มันมากๆทำให้มันมากๆ สิ่งที่รู้เมื่อค่อยจะค่อยเข้าใจไปเองมันอยู่ยากับการปฏิบัติของเราอย่าไปแข่งอย่าไปเอาอะไรที่เรามาประพฤติปฏิบัติเน่ยให้ทำให้มันหนักแน่นเข้าอย่าไปปล่อยให้เวลามันล่วงไปล่วงไปเฉยๆยาวตามใจตัวเองอะไรมันไม่อยากทำก็ฟามันทำไปไม่ต้องเอาอะไร ตัแล้วแต่อะไรจะเกิดตัวแล้วเจ็ดลูกเมื่อไหร่ก็ก็ช่างมันหลวงพ่อไม่หวังว่าอยากจะเอาอ่อนพระเป็นพระนั้นพระนี่เอาตัวแล้วแต่อาการแล้วก็ป่าถนาอ่อนบอนลอะไรก็ไม่เป็นอืปฏิบัติไปตามเรื่องตามเราตามยถ า, ากรรมของตัวเองครูบาอาจารย์ท่านสอนก็พยายามดูฟังไปอ ม, มันเป็นยังไงกบางทีก็เข้าใจบ้างบางทีก็ไม่เข้าใจเข้าใจ พูดไม่ได้ก็ได้ก็มีไม่รู้จะพูดภาษาธรรมะพูดแบบไห น, นมันเป็นแบบนึงพอมาลูกจากความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกนี้ก็ว่าลูกตั้งแต่ก่อนก็รู้สึกก็ก็ก็ว่าตัวเองรู้สึกนี่แหละรครูบาอาจารย์มาสอนแล้วก็ท่านมายกมือมายกมือเนี่ยรูปนำนี่แหละท่านถามว่ายกมือเนี่ย ยกมือขึ้นน่ะท่านแก่งมือไปมือมาอันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้หลายหลายเดือนแล้วนะเนี่ยท่านทำนึกว่าตัวเองรู้อะรู้กายรู้ใจรู้รูปลู้นามนึกว่าว่าว่าตัวเองรู้แล้วว่ารู้มาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนึกว่ารู้กายก็รู้ใจก็รู้แล้วพอท่านเอามายกมือให้ดูตอนเนี่ยไม่รู้เลย โ อ, อ, อ, อ้ย่ยังไม่รู้รอกหอวงพ่อเอ้ยยังไม่รู้รอกเกิดเสียใจแล้ววันเนี่ยเสียใจว่าอตัวเองไม่ไม่ไม่รู้ก็ทำแต่พึ่งตะพือไปแล้วันเนี่ยทำไปจะเดินกับกาหนดจะเดินไปไหนมาไหนก็ค่อยพยายามกําหนดตัวเองมันก็ไม่เข้าใจดอกเพราะความอยากมันอยากได้มีแ ต, แตอ่อยากได้อย่างเดียวไม่ รู้จักอะไรหรอความอดทนนี่ก็อดทนไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นไปแบบแบบคนไม่รู้ภาษาอยู่มาหลายหาปีมันก็ค่อยค่อยเข้าใจค่อยเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเดินไปเนี่ยโอ้คนนี่เดินไปนี่มันคนตายมันเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเราคอมมันก็ไม่รู้สึกอะไร น, นะเราเนี่ยเดินไปนี่ถ้าเราไม่ รู้สึกไม่มีชีวิตจิตใจนี่มันก็เคลื่อนไหวยังไม่เป็นมันก็ไม่รู้สึกอะไรตัวรู้สึกน่าจะเป็นนามแล้วก็อรูปของเราเนี่ก็เป็นรูปอยู่ตั้งแต่ก่อนกายเนี่ยเขาเรียกว่ากายรูปรูปเนี่ยรูปน้ำเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำไม่เข้าใจพอมาเข้าใจโอ้รูปนี้มันคือตัวเราเออาัน คิดเห็นไม่แรงอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาจับมาตอมาตอมาแตแเราก็รู้จักโอ้อรูปเนี่ยมนวนน้มเนี่ยมันอยู่ทั่วตัวของเราแด้เนี่ยอะไรมาจับมาตอมมาอะไรเราก็เข้าใจเราก็เห็นเราก็รู้จักตัวรูปตัวนี้มันเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นน้มรูปเนี่ยมันอยู่เฉย ก็เลยเข้าใจโอ้บ้านบ้านของของกายของของใจของเราก็คือบ้านเขาพื้นเดือนของเขาเด้ที่อาศัยเขาแล้วกายนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านต่างคนต่างอาศัยกันกายก็อาศัยใจใจก็อาศัยกายถ้าไม่มีกายก็ใจไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่ทีที่ที่จะไปอยู่อาศัยที่อะไรถ้ามีกายแล้วก็มีใจมาประกอบข้อมันก็รู้สึกคือธาตุทั้งสีเนี่ยมารวมกันข้อกัน มาเป็นรูปเป็นล่างเขาส่วนนามมันก็คือตัวรู้สึกนี่แหละมันเกิดมาตั้งแต่พร้อมๆกันก็เลยมาเข้าใจเข้าใจว่ารูปมันนามโอ้โอนี่เป็นรูปมันนี่เป็นนาเราก็เดินไปล้วบียบเนี่ยเเดินก็เอาจับความรู้สึกเนี่ยกายรู้สึกให้ให้มันรู้ลกลกายเคลื่อนไหววลถีไทยก็หาใจรูป้ไปด้วยตั้งแต่ก่อน ก็ไปเห็นกายกับใจมันไม่ไ ม, ไม่ถูกกันไม่อยู่ด้วยกันเราจะไปอะไรไปอะไรเนี่ยจะไปทําการทํางานหรือเดินไปเทนแอค ก, ก็าตามใจมันจะไปก่อนถึงถึงก่อนแล้วจะจุดที่หมายปลายทางที่ที่เราจะไปนะอยากไปถึงบางทีมันก็ออกไปคิดไปทางนั้นไปทางนี้ไปเรื่อยๆไปแล้วก็ไปเห็นเอกใจนี่ถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เด้เนี่ย มันไม่อยู่กับกายกับใจกลางคืนมันก็ น, นอนฝันกลางวันก็นั่งคิดคิดแต่ทางที่จะไปไ ด, ได้ก็เลยคิดเห็นใจเนี่ยเห็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมวัตวกายเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นรูปรูปธรรมคือไปคือมันรู้สึกนั่นก็คือเป็นนามทำอะไรมันก็ดูด้วยกันะนะทำมาคิดออกไปก็มากําหนดมาเรียกมันเข้ามาถ้ามันเรียกเข้ามาก็ เราลองยกมือรู้สึกมันก็เข้ามาแล้วเนโอ้พอได้อันนี้เราก็รู้จักอารมณ์จิตใจของเรามันจะออกไปมันจะเข้ามาเราก็เห็นมันแล้วก็ทางกายมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล้ามันขี้เกียจขี้ข้านเราก็รู้จักมันตั้งแต่ก่อยไปตามมันหมดตั้งแต่ก่อนพอมาดูเขาก็พอมันเข้าจะออกไปเราก็กลับมาพอมันออกไปเรากบกลับมา กลับมาแล้วก็ทางกายมันก็เป็นมันก็เป็นตามปัะาของมันทางใจมันก็เป็นไปตามไปตามหน้าที่ของมันต่างคนต้องตามนตามหน้าที่ของใครของมันแต่ว่าให้มันอยู่ด้วยกันพอมันอยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็สบายใจรู้สึกว่ามีความสุขมากไปที่ไหนที่ไหนก็ไปอยู่กับรวอมรู้สึกเนี่ยเบา อ, อกเบาใจอุ่นอกอุ่ น, นใจ ไปไหนก็มีความสุขถ้าเราออกจากกายกับใจออกไปเนี่ยเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อ น, นั้นเราเดินไปเนี่ยถ้ากายกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คิดขี้เกียจอีกขั้นอยากไปที่โน้นอยากไปที่ น, น, นี่โอ้อันนี้มันไม่อยู่บ้านเนี่เนี่ยมันออกจากบ้านไว้แล้วก็เลยเรียก ม, ม, มันเข้ามาเรียมเข้ามาแล้ก็ดีมันไปทางไหนก็ให้รูจ้จักมันให้ทันมัน แล้ว e. มันจะค่อยรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักทุกขังอันนี้จังอนนัตตารู้จักรูปลวกนามลวกรูปไปทั่วน่ะสมมติอะไรขึ้นมาขึ้นมาแทละติอันเนี้ยรู้จักที่ละนเนี่ยอันเนี้ยขนลูกุนพองเลยรู้จักว่าสบายกายสบายใจวันไหนได้อารมณ์ดีดีงี้ก็ไปเห็นอาการที่มันเกิดแล้วก็ม yeah. ันก็เกิดขึ้นมาวันอันนี่มันเป็นรูปอันนี้มันเป็นนามอันนั้นเป็นสมมุติอันนั้นเป็นทุกขังอันนี้จังอันตา เราก็ค่อยรู้จักเห็นค่อยเข้าไปเข้าไปเข้าไ ป, าไปว่าตัวลู่แล้วขันยันแล้ววันนี้ mm hmm. คิดเห็นนี่ยก็เจี๊ยจี๊ยบไปสอนคนนั่นจากสอนไปสอนคนนี้แล้วมัน mm hmm. ไม่ค่อยอยู่ยเฉยเห็นคนนี้อดพูดไม่ได้ mm hmm. แต่ก่อนนี่ทางละทางไม่ได้เป็นแบบนี้ดอกไปอยู่ที่ไหนก็ไปไ ป, ไปป่าอยู่ในป่าเนี่ยอะไรเนี่ย ไปเดินจงกรมอะไม่ได้ไม่ได้ค่อยแต่ท่านได้จบกันแล้วลูกแล้วก็ไปทำทำทางให้พวกคนแก่พวกคุณหญิงพวกคุณชายก็มือกันลนะทำอยู่ห้องพ่อเนี่ยทำให้ตลอดวันเลยบางบางวันไม่ ไ, มได้นั่นเลยไ ม, ไม่ได้ค่อยอะไ ป, ป, ฏปฏิบัติเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่า ค่อยๆไปค่อยๆมามัยนรู้จักถึงนั้นถึงนี้ก็เข้าใจอยู่ตามศาษาของคนแก่นะคนไม่รู้ก็พูดไปตามเรื่องตามราวไปท้งแก่มาแล้วก็ยังไม่ได้ไปที่ไหนหรอก พูดไม่เป็นมีแต่ดูกิจชีวิตจิตใจของตัวเองอพอมันหลงไปก็คอยมาดูตัวเองไปดูจากรูปดูจากนามดูจักสมมุติรูจักศาสนารูจักพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่รู้จักพุทธศาสนาในศาสนาเนืกอว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนื้ว่าอยู่ในพุทธศาสนาพุทธ มันมาเข้าใจเราพุทธศาสนาคือชีวิตกิตใจของเรานี่เองถ้ายังไม่เห็นกิจเฉีนใจก็ยังมายังไม่อยู่ในพุทธศาสนาเรายังยังเป็นศาสนาอื่นอยู่ยังดักไปถือผีถือตางถือวทีรีตองอะไรทุกๆอย่างอย่างอย่างทุกวันนี่ยอย่างที่เท่าพ่อแม่เขาเราพวกเราเคยพาเป็นทุกวันเนี่ย หลวงพ่อเข้าใจว่าโว้หน้าทุงศาสเกิดมาก็ไม่เคยเห็นชีวิตจิตใจเจ้าของเองก็ปล่อยชีวิตจิตใจไปตามยถากรรมไปเรื่อย ๆ, ๆไปเพราะว่ายังอยู่ในโลกีนี่ก็จะมาวกวนเวียนใต้ว่าใต้เกิดอยู่เนี่ยจะไปถึงไปนิพพานนี่มันก็ไปไม่ได้มันต้องมาฝึกขัดอย่างเราเนี่ยคือมาดูชีวิตจิตใจขอยงเราเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้รู้แล้วก็ อย่าไปวิภาควิจารณ์มันให้มันเกิดอะไรเกิดก็ให้มันเกิดอะไรดับก็ให้มันดับมันม่มีเครื่องที่จะเที่ยงแท้แน่นอนทักอย่างเดียวเลยนอกจากชีวิตจิตใจทียนเราที่พูดที่ทําดีๆแล้วเนี่ยทางในผิดเราก็ไม่ไปทางในถูกเราก็เดินไปทําไปเรื่อยเรื่อยไปเราเรียจักสลัดปัดปล่อยไปที่ด้เกิดก็ตั้งแต่ก่อนน่ะ อะไรดีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากให้มันหนีอยากให้มันอยู่กับเราอยู่ตลอดไปแล้วก็บางทีมันก็ออกหนีไปบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็เดินหากันมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่จะเข้าใจพอมาเข้าใจแล้วก็โอ้เรื่องทุกอย่างมันก็ขึ้นขึ้นเราเห็นอยู่แต่เราเป็นผู้เป็นกับมันอยู่มันนี่เห็นแล้วเราต้องไปเปไม่ต้องไปเอากับมันมแล้วก็ค่อย ค่อยทำไปทําไปเป็นคนดูแต่พึ่ดแต่พื้ไปเรื่อยดไปบางทีก็ดีบางทีก็ร่ายบางที ก, ทก็ตั้งแต่ก่อนเก็เคยเสียอกเสียใจไปกับมันอยู่วันยังค่านั่นแหละอะไรเกิดมาก็เป็นไปเรื่องกับเรื่องนั่นเลยมันพอมาเข้าใจนี่ก็รู้จึกว่ามันสว่างสวัยไปอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่ไปเป็นกับมันดีก็ก็มันก็เท่านั้นแหละมันก็ มันก็ไม่เที่ยงไอ่วดมันก็ไม่เที่ยงเกิดมามีสิ่งที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปทุกๆอันมาคิดไปคิดมาโลกทั้งโลกนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะแน่นอนยั่งยืนไปมีแต่สิ่งที่จะสลายไปเลยที่เราไปติดยุทธวันนี่ก็ติดสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเนี่ย ส้างขึ้นมาอะไรก็ไปติดนั้นไม่ค่อยบางคนก็รู้มารู้เงี้ยก็รู้จั ก, ร, จกรู้จักถอนรู้จักถอนรู้จักปวดรู้จักปวดรู้จักวางมันก็เบาไปถ้าเรายังไปติดอยู่เราก็จ้างความทุกข์งตัวเองเม่มาเข้าใจแล้วก็โอ้คนเรานี่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่มาแบบนี้มาทำแบบนี้แล้วก็เข้ามาทำโทษเจ้าของมาลงโทษตัวเองเกิดมาเนี่ยมาสร้าง สร้างความชั่วให้ตัวเองความดีนี่มีน้อยที่ตัวได้ทานแล้วไม่มาฝึกมหาหัดเนี่ยเมื่อกี้ดูแล้วว่าบุญไร้วัตนาบรารมีเพราะฉะนั้นทุกคนให้พยายามทำทำตัวเองนี่แหละอย่าขี้เกียจอย่าปล่อยให้เวลาล่วงไปเฉยเพราะว่าความชั่วความอดีตทุกอย่างไม่มีใครจะมาทําให้เราเลยเราทําคนเดียว ไปทาเผื่อใครก็ไม่ได้ไปตื้อเอาเป็นเงินเป็นทองก็ซื้อไม่ได้มีแต่ให้เรามาทําเอาแบบนี้แหละอะไรมันมีให้มีตติอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนเราเนี่แหละเปลี่ยนหลงเป็นลูกอันนี้ก็ตามมันไม่แน่นอนทั้งอย่างหรอกให้เราพยายามทําชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มันดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเรา เรื่องของคนอื่นก็อย่าไปสนใจให้มาแก้ตัวเองเนีมันเป็นยังไงคนเราทุกวันนี้มันไม่ดีก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดชีวิตกีจแจ้งของเรานะมันอยู่ในศาสนาอื่นมันไม่ได้อยู่ในตัตนาพุทธพุทธตา ต, ตนาแท้ๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องมือลาวอะไรมีแต่แต่ศาสนาอื่นเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยพวกเรานี่ไม่ใช่ตัตนาพุทธนะตือตาตนาพุทธแต่เทเรนบ้านกับตันโมนโนควา มาดูแล้วนะเดี๋ยวนี้เราได้ครึ่งคึ่งก็มีแต่ธนาพูดอ่ะสนาความก็มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เรามาดูชีวิตจิจใจของเราเนี่ย อ, อะไรก็ไม่มีอะไรไมาทําำให้ดอกอย่าไปปานาอ้อนวอนให้ถึงนั่นมันช่วยอย่างนี้ไม่ช่วยเราทําเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ทําไม่ได้ไปทําเผื่อใครก็ไม่ได้เอาละหมดเวลาแล้ว เพราอยู่ติดเวียงตัวนี้